สสัมในอดีตเป็นที่ทราบกันดีว่าประชากรของประเทศญี่ปุ่นนั้นเคยมีสถิติการฆ่าตัวตายเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีทั้งนี้เพราะเกิดจากความเครียดในสังคมวัฒนธรรมและหน้าที่การงานต่างๆจึงทำให้ประเทศนี้ เป็นประเทศหนึ่งที่มักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีวิญญาณอยู่เป็นจำนวนมากมีนักเขียนข่าวชาวญี่ปุ่นและเพื่อนร่วมงานของเขาได้ออกเดินทางเพื่อทำการสำรวจสถานที่ต่างๆที่น่ากลัวหลายๆจุดในเมืองต่างๆของประเทศญี่ปุ่นจากการเดินทางของเขาและเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ต่างๆเหล่านั้นและนี่คือ10 ส, สถานที่ที่เขาจัดได้ว่า เป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่เขาได้เคยสัมผัสมาสิจุดเห็นผีในประเทศญี่ปุ่นอันดับที่สิบโออิรันบุชิจังหวัดยามานาชิหน้าผาสูงชันล้อมรอบเด้วยแม่น้ำสถานที่แห่งนี้อยู่ทางหลวงหมายเลข411ซึ่งอยู่รอบนอกของเมืองยามานาชิ ท, ทั้งที่สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามของธรรมชาติเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแต่มีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อ55ปีก่อนนั้นได้มีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงขายบริการได้เดินทางผ่านมายังจุดนี้และได้ถูกคนร้ายฆ่าตายที่นี่เคยมีคนที่ได้พบเจอวิญญาณของเธอนั้นเป็นผู้หญิงไร้หน้าคลานอยู่บนพื้น และดูเหมือนกับว่าเธอกำลังรอคอยให้ใครก็ตามที่ได้ผ่านมาเส้นทางนี้นั้นไปอยู่ด้วยกับเธอนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังมีสะพานแขวนที่ดูน่าขนลุกอยู่บริเวณไกลๆซึ่งมันน่ากลัวล่ากับว่าสะพานแห่งนี้นั้นได้หลุดออกมาจากหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว อันดับที่9เสียงร้องของดอยโดรุนสถานที่นี้คืออุทยานอตแกยมะตั้งอยู่ในเมืองฮะชิโอจิของโตเกียวหรือรู้จักกันดีในชื่ออุทยานไดสุกยมะครั้งหนึ่งที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดที่เคยเป็นที่นิยมมากของโตเกียวแต่ได้ถูกรื้อถอนออกไปในปีคศ .1983 ก่อนหน้านั้น20ปีในปีคศ1963ได้มีหญิงชราคนหนึ่งได้ถูกฆ่าตายที่นี่หลังจากนั้น10ปีต่อมาปีคศ1973ได้มีร่างของนักศึกษาสาวมหาวิทยายลัยถูกทิ้งที่นี่หลังจากที่เธอได้ถูกฆาตกรรมโดยอาจารย์ซึ่งแอบมีความสัมพันธ์กับเธอ มีคนกล่าวว่าถ้าเดินผ่านพื้นที่แห่งนี้ในตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าชวนขนหัวลุกเป็นอย่างมากอันดับที่8ปเส้นโค้ง SSS จังหวัดโอกินาว่าโอกินาว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่า s s เอส r คในที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัธิลิวคิหลายๆครั้งที่ได้มีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุดต่างๆมักจะถ่ายได้ภาพวิญญาณหรือสิ่งพิษปกติติดเข้ามาในรูปด้วยหรือไม่ก็จะมีความรู้สึกแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้เข้าไปยังสถานที่แห่งนี้ซึ่งภาพถ่ายวิญญาณจานวนมาก ที่เราอาจจะเคยพบเห็นผ่านตากันมาบ้างไม่มากก็นหน้อยพูก้ายมาจากที่นี่อย่างเช่นวิดีโอนี้มีผู้ชายคนหนึ่งได้เดินไปรอบๆสถานที่แห่งนี้และเกิดความรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างซึ่งพวกเขากล่าวว่ามีความรู้สึกหนักขึ้นบนไหล่ของพวกเขาทำให้นึกถึงหนังไทยเรื่องหนึ่งที่มีผีมาขี่คอทำให้ตัวเอกนั้น รู้สึกไม่สบายที่ไหลและรู้สึกเหมือนปวดคออยู่ตลอดเวลาจนมีคนได้กล่าวไว้ว่าหากคุณได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องการที่จะถ่ายภาพวิญญาณแล้วล่ะก็ขอแนะนำให้คุณไปยัง S.S.S. เคบของโอกินาว่าอันดับที่7สศาลเจ้าเอสแห่งหนึ่ง ดูเหมือนว่าสถานีแห่งนี้จะถูกปกปิดเป็นความลับด้วยเหตุผลบางอย่างต่างจากสถานที่อื่นๆที่จะเปิดเผยให้คนทั่วไปได้รับดูและสามารถไปเยี่ยมชมในสถานที่นั้นๆได้จากผู้ที่เคยได้ไปสัมผัสกล่าวว่าที่แห่งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการลักพาตัวในบริเวณใกล้ๆกับศาลเจ้าแห่งนี้อยู่เป็นจานวนมากอย่างไรก็ตาม ผู้ที่เคยได้ไปสัมผัสไม่มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับสารเจ้าแห่งนี้แต่แนะนำให้ควรอยู่ห่างจากสารเจ้าทั้งหมดที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเอสซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นอันดับที่6อุโมงร์างังชูเซสึเมืองฟุกุโอกะ มีอุโมงค์เก่าที่น่ากลัวอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นคือชูเซสึอุโมงค์เก่าแห่งนี้มันเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งสำหรับพวกคิโมดาเมชิกหรือกลุ่มคนที่ชอบทดสอบความกล้าที่จะท้าทายให้คนกล้าเดินผ่านเข้าไปยังภายในอุโมงค์เก่าอันมืดมิดสถานที่แห่งนี้มันชวนให้นึกถึงบรรยากาศจากหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่ง ผนังโดยรอบมีความซุดโสมกำแพงมีรอยถลอกสนิมเกาะมีราขึ้นบรรยากาศและความมืดที่น่าพิศวงอุโมงค์แห่งนี้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมอันน่าสะพึงกลัวหลายๆเหตุการณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นที่นี่มาแล้วหลายคนที่เคยเข้าไปยังสถานที่แห่งนี้กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนพยายามที่จะเข้าไปภายในอุโมงค์ เมื่อก้าวขาเดินไปได้สักระยะหนึ่งก็จะได้ยินเสียงให้หยุดและเสียงแปลกๆภายในอุโมงค์เหมือนกับว่ามีคนพยายามจะหยุดพวกเขาเหล่านั้นไม่ให้เข้าไปยังภายในอุโมงค์อันดับที่หโรงน้าชากเก่าจากผู้ที่ได้ไปสำรวจสถานที่แห่งนี้ได้กล่าวว่าเขาไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ และการค้นหามันในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่าการที่เขาได้ไปสัมผัสสถานที่แห่งนี้ด้วยตนเองและจากภาพถ่ายที่เขาได้ถ่ายมาจากสถานที่แห่งนี้เท่านั้นแต่จากบรรยากาศบริเวณโดยรอบมันก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างความขนหัวลุกให้กับเขาได้อันดับที่สี่โรงเรียนล้างตึกกลมฮอกไกโด โรงเรียนแห่งนี้มีลักษณะเป็นตึกกลมตั้งอยู่ในฮอกไกโดค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมกันมากในยุค60ไม่มีใครทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้มากเท่าใดนักแต่หากใครก็ตามที่ต้องการจะเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้จะต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นเพราะรถ ไม่สามารถจะแล่นผ่านเข้าไปได้ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเหมืองทานหินซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโรและมีชื่อเสียงในเรื่องพูดผีและวิญญาณเป็นอย่างมากเมื่อเดินเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้าของตึกแล้วมองดูรบอบๆบริเวณของสถานที่แห่งนี้จะรู้สึกได้ถึงความน่าสะพึงกลัว ขนลุกขนพองโดยไม่ต้องมีคำบรรยายหรือเล่าประวัติใดๆเพิ่มเติมเลยที่แห่งนี้มีตำนานอยู่ว่าถ้าหากใครที่ได้เข้าไปยังด้านในของสถานที่แห่งนี้แล้วล่ะก็ถ้าไม่กลับมาแล้วกลายเป็นบ้าก็จะหายสาบสูญไปตลอดกาลถึงแม้ว่าหลายๆคนที่ได้เคยเข้าไปลองของยังสถานที่แห่งนี้ จะรอดชีวิตกลับมาแบบปกติแต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากแห่งหนึ่งที่มีคนสนใจอยู่ไม่น้อยอันดับที่สป่าอาอกิงาฮระจังหวัดยามานาชิป่าแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านาทีแห่งไม้ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นป่าอาโอกิงาฮะระมันเป็นสถานที่ที่คนนิยมฆ่าตัวตายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยนับตั้งแต่ปีคศ1950เป็นต้นมาพบผู้เสียชีวิตในป่าแห่งนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า500คนโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้ประมาณปีละ30ราย แม้ว่าป่าแห่งนี้จะติดป้ายที่มีข้อความเกลี้ยกล่อมให้บุคคลที่จะคิดสั้นนั้นเปลี่ยนใจใหม่ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ตามหลายศพเป็นนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตเพราะหลงป่าไม่สามารถหาทางออกจากป่าได้จึงทำให้จำนวนศพนั้นเพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อเดินเข้าไปยังภายในป่าจะสัมผัสได้ถึงความหดหู่ และความทุกข์ะทมบางจุดได้มีคนนำตุ๊กตาฟางที่ดูเหมือนตุ๊กตาในลัทธิวูดูตอกด้วยตะปูให้ติดกับต้นไม้เพื่อสาบแช่งให้กับคนที่เกลียดทำให้สถานที่แห่งนี้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นผืนป่าส่วนใหญ่เป็นหินภูเขาไฟและมีความแข็งแกร่งยากที่จะเจาะทะลุได้ด้วยเครื่องมืออย่างพลัว่วหรือเสียมได้ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางอยู่หลายเส้นทางซึ่งถูกใช้สำหรับการตามหาศพในทุกๆปีเมื่อเดินเข้าไปในป่าลึกในทิศทางมุ่งหน้าไปยังภูเขาไฟฟูจินั้นป่าจะมีสภาพดึกดำบรรดูน่ากลัวยิ่งหนักและเมื่อสังเกตล่องรอยตามทางเดินจะเห็นได้ว่าแทบไม่มีมนุษย์คนใดย่างกลายเข้ามาเลย อันดับที่สองโรงพยาบาลล้างแห่งหนึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ถูกปกปิดแหล่งที่ตั้งไว้เป็นความลับรู้เพียงแต่ว่าโรงพยาบาลนี้มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเอ็ในภาษาอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งทางทิศเหนือของคันโตซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นทีน่นี่มันก็เหมือนกับโรงพยาบาลเก่าที่ถูกทิ้งร้างโดยทั่วไปมีเศษขยะกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นมีวัชพืชขึ้นรกแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานที่กำแพงมีรอยแตก มีตัวหนังสือเขียนตามเสาและพ่นสเปรย์ในจุดต่างๆสถานที่น่ากลัวแห่งนี้คงจะเป็นสถานที่ที่มีวิญญาณของผู้ป่วยที่เสียชีวิตและวิญญาณของหญิงสาวในชุดพยาบาลอยู่เป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือประวัติความเป็นมาเรื่องราวความลึกลับที่มีกลุ่มลทัทธิมืดบางกลุ่ม ซึ่งได้ประกอบพิธีกรรมขึ้นที่นี่โดยได้จับกลุ่มคนผู้โชคลายมาเพื่อกระทำการบางอย่างซึ่งในการประกอบพิธีนั้นพวกเขาได้ใช้ผ้าขาวที่เอาไว้หอ่อศพและเขียวในการประกอบพิธีกรรมซึ่งเขียวนั้นน่าจะใช้ในการลงมือเพื่อทำร้ายเหยื่อด้วยอาจจะเป็นที่แน่ใจได้ว่า เรื่องราวที่กล่าวมานั้นเป็นความจริงเมื่อผู้ที่ได้ไปเยือนยังสถานที่แห่งนี้ได้พบเห็นเคียวนั้นวางนอนอยู่กับพื้นอันดับที่หนึ่งตึกสยองกลางเมืองที่บริเวณนี้เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากก่อนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดและเมื่อสงครามโลกได้สิ้นสุดลงมันก็ได้ถูกละเลย จนไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกสถานที่แห่งนี้มันซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่แหล่งผู้คนพลุกพ่านย่านชินเซกของเมืองโอซากา้าในท่ามกลางแหล่งชุมชนแห่งนี้กลับมีสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงหลางเมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปยังด้านบนของตึกจะเห็นผนังและหลังคาที่ถูกไฟไหม มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวอาคารนี้มากมายเรื่องราวความลึกลับของสี่ศพที่ได้ถูกแขวนไว้กับตัวอาคารและนี่เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของที่นี่ฝั่งตรงข้ามของตึกนี้มีสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งคือสปาเวอร์ k, ที่ชั้นสอง จะมีห้องอาบน้ำสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ซึ่งตึกร้างนั้นสามารถมองเห็นได้จากสปาเวิร์ในคืนหนึ่งได้มีคนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาลางๆอยู่บนชั้นดาดฟ้าซึ่งมันเหมือนกับวัตถุที่ถูกแขวนห้อยยาวลงมาจากหลังคาสิ่งนั้นมันทำให้เขาขนลุกเมื่อได้มองเห็นสิ่งที่อยู่บนอาคาร ฝั่งตรงข้ามถนนเขาจึงได้โทรแจ้งตำรวจและขอให้ไปตรวจสอบยังสถานที่แห่งนั้นไม่นานเมื่อตำรวจได้ไปตรวจสอบก็ได้พบว่าสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นเป็นศพของมนุษย์ซึ่งถูกแขวนห้อยลงมาจากอาคารและสิ่งที่ประหลาดยิ่งกว่านั้นก็คือรองเท้าคู่หนึ่งถูกแขวนติดไว้กับศพนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็มีวัยรุ่นฮิ่คึกขนองได้นำรองเท้าไปแขวนไว้ในจุดต่างๆภายในตัวอาคารยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกหานมาอีกไม่นานได้มีคนเห็นบางสิ่งซึ่งดูเหมือนกับตุ๊กตามีขนาดเท่ากับตัวมนุษย์หูแขวนห้อยลงมาจากคือแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบดูแล้ว มันกลับกลายเป็นศพของมนุษย์จริงๆซึ่งอยู่ในจุดเดียวกันกับที่พบศพครั้งแรกยังมีเรื่องเล่าอีกมากเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้แม้ในบางครั้งเรื่องราวจะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เล่าแต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับแล้วว่าได้ค้นพบเจอกับศพที่อยู่ในตึกนั้นมันเกิดขึ้นจริง ในปี2005ที่ผ่านมานี้อย่างแน่นอนสยองกันพอหรือยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แล้วเราจะกลับมาสยองกันอีก สัมผัสสยอง